พัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาในบทว่าพัสสะปัจจยาเวทนาเวทนากล่าวโดยทวานก็มีหกมีจักขู่สัมผัสสชาวเวทนาเป็นต้นเท่านั้นแต่โดยประเภททราบกันว่ามีถึงแปดสิบเก้าขยายความจริงอยู่ ในวิพังแห่งบทนี้กล่าวเวทนาไว้หกตามทวารเท่านั้นดังนี้คือจักขุสัมผัสชาวเวทนาโสตชิวหากายะมโนโ ส, สัมผัสชาวเวทนาแต่โดยประเภททราบกันว่ามันมีถึงแปดสิบเก้าเพราะความที่มันสัมปะยุทธ์กับจิตแปดสิบเก้าดวง แต่ในเวทนาเหล่านั้นเวทนาสาสสองที่ประกอบกับวิปากจิตเท่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นเวทนาที่ประสงค์เอาในบทนี้ปัจจะยะนในในเวทนาที่ประสงค์เอาเหล่านั้นพัทธะเป็นปัจจัยแก่เวทนาห้าในปัญจทวารแปดอย่างเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เหลืออย่างเดียว แม้ในมโนโทวานก็เป็นอย่างเดียวขยายความความว่าในเวทนาเหล่านั้นภัฒนะมีจักขุสัมผัสเป็นต้นเป็นปัจจัยแดอย่างโดยเป็นสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปายุตตะอัตถิและอวิคตะปัจจัย แก่เวทนาห้าอันมีจักขคูประสาสตเป็นต้นเป็นวัตถุคือที่ตั้งในปัญจทวารแต่ผัสสะมีจักขคูสัมผัสเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยอย่างเดียวโดวยเป็นอุปนิสยปัจจัยเท่านั้นแก่เวทนาที่เหลือคือเวทนาที่เป็นกามาวจระวิบากอันเป็นไปด้วยอํานาจสัมปติชั น, นจิตสันติรณจิตและตถารรมณจิต ในทวารหนึ่งหนึ่งข้อว่าแม้ในมโนทวารมันก็เป็นอย่างนั้นความว่าแม้ในมโนทวารผัสสะกล่าวคือมโนสัมผัสที่เกิดร่วมกันนั้นก็เป็นปัจจัยแปดอย่างเช่นนั้นเหมือนกันแกเวทนาที่เป็นกามาวจราวิบากอันเป็นไปด้วยอำนาจตถารรมนะจิต และแม้แก่เวทนาเตภูมิกะวิบากอันเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิจิตและพวังคจุติจิตส่วนกามาว่าจะเลาเวทนาทั้งหลายที่เป็นไปด้วยอำนาจตทารรมนาจิตในมโนทวานั้นใดมโนสัมผัสอันสำปรยุทธ์กับมโนทวาราวัชนาจิตเป็นปัจจัยแก่เวทนาเหล่านั้นแต่อย่างเดียวโดวยเป็นอุปนิสยปัจจัยเท่านั้น นี่เป็นคาถาอย่างพิสดารในบทว่าพัสสะปัจจะยาเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตันหาในบทว่าเวทนาปัจจะยาตันหาตันหาหกโดยแยกเป็นรูปตันหาเป็นต้นทรงสแสดงในบทนี้ ในตันหาเหล่านั้นตันหาข้อหนึ่งหนึ่งทราบกันว่าเป็นอย่างละสามตามอาการที่เป็นไปขยายความจริงอยู่ในบทนี้ในวิพังท่านแสดงตันหาหกโดยให้ชื่อตามอารมณ์ว่ารูปตันหาสัทธตันหาคันธาตันหารสตันหาโพธพะตันหา และธรรมะตันหาดุดบุตรที่ถูกแสดงโดยให้ชื่อตามบิดาว่าเศรษฐีบุตรรามนาบุตรเป็นต้นฉะนั้นอนหนึ่งในตันหาเหล่านั้นตันหาข้อหนึ่งหนึ่งทราบกันว่าเป็นอย่างละสามตามอาการที่เป็นไปดังนี้คือกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหา ก็รูปตัญหาหรือรูปตัญหานั่นแหละเมื่อใดมันยินดีรูปารมณ์ที่มาปรากฏแก่จักสุด้วยอำนาจความพอใจทางการเป็นไปเมื่อนั้นมันก็ได้ชื่อว่าเป็นกามตันหาเมื่อใดมันเป็นไปกับสัตสตทิฏฐิอันเป็นไปโดยเห็นว่าอารมณ์อันนั้นแหละเป็นของเที่ยงยั่งยืน เมื่อนั้นมันก็ได้ชื่อว่าเป็นภาวะตันหาด้วยว่าราคะที่สหระคตกับสัตสตาทิฏฐิท่านเรียกว่าภาวะตันหาส่วนว่าเมื่อใดมันเป็นไปกับอุเฉททิฐิอันเป็นไปโดยเห็นว่าอารมณ์อันนั้นแหละจะขาดศูญไปเมื่อนั้น มันก็ได้ชื่อว่าเป็นวิภวะตัญหาด้วยว่าราคะที่สหะรคตกับอุจเฉททิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะตัญหาแม้ในตัญหาที่เหลือมีสัทธาตัญหาเป็นต้นก็ในยะนี้เพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นตันหาสิบแปดอันเป็นไปในรูปารม์เป็นต้นที่เป็นภายในสิบแปด ที่เป็นภายนอก18ปดเพราะฉะนั้นจึงเป็นตันหา36โดยประการดังนี้มันเป็นอดีต36เป็นอนาคต36และเป็นปัจจุบัน36ดังนั้นมันจึงเป็นตันหาร้อยแปดตันหาเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเมื่อย่อมันเข้าอีกมันก็คงเป็นตันหาหก ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นหรือเป็นตัญหาสามโดยเป็นประเภทการมตัญหาเป็นอาทิเท่านั้นเองก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี้พอใจเวทนาอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจอารมณ์มีรูปเป็นต้นจึงทำศั ก, กระใหญ่คือให้รางวัลแก่จิตกรช่างเขียนคนทัน คือนักดนตรีและขับร้องคันธิกะช่างปรุงเครื่องหอมสูตรคือพ่อครัวตันตวายะช่างทอผ้าแล้วราศายนะวิทยกะแพทย์คือแพทย์ผู้แต่งยาตามตำรับราศายนะเวศเป็นอาทิซึ่งเป็นผู้ให้อารมณ์มีรูปเป็นต้นก็ด้วยความรักในเวทนาดุดบิดาพอใจบุตรของตน และททำสักการะใหญ่แก่แม่นมก็ด้วยความรักในบุตรฉะนั้นเหตุฉะนั้นตันหาทั้งปวงนั้นบัณฑิตพึงทราบถือว่าเป็นตันหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาก็เพราะสุขเวทนาที่เป็นวิบากอย่างเดียวเท่านั้นท่านประสงค์เอาในบทนี้เหตุนั้นสุขเวทนานั้น จึงเป็นปัจจัยแก่ตันหาประการเดียวเหมือนกันคำว่าเป็นปัจจัยประการเดียวคือเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสยปัจจัยเท่านั้นหรือเพราะว่าผู้มีทุกขย่อมปรารถนาความสุขผู้มีสุขเล่าก็ปรารถนาความสุขยิ่งขึ้นไปส่วนอุเบกขาเวทนาเพราะเป็นเวทนาละเอียด ท่านก็กล่าวว่าเป็นสุขเหมือนกันเหตุนั้นเวทนาจึงเป็นปัจจัยแก่ตันหาได้ทั้งสามแต่เพราะว่าตัญหาซึ่งพระมหาฤาษีเจ้าตรัสไว้ในบทว่าเวทนาปัจจญาตัญหานั้นแม้มีเวทนาเป็นปัจจัยแต่เว้นอนุัยเสียมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีแก่พรามคือสมณะ ผู้อยู่จบโรมอาจาร์แล้วนี่เป็นคาถาอย่างพิสดารในบทว่าเวทนาปัจยาตันหาตันหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานในบทว่าตันหาปัจยาอุปาทานัง อุปาทานมีสี่บัณฑิตพึงอธิบายอุปาทานสี่นั้นโดยอัตถวิภาคคือจำแนกความโดยสังเขตและโดยพิสดารแห่งธรรมะและโดยลำดับนี่เป็นอธิบายในอุปาทานนั้นคือในคาถานี้ชั้นแรกว่าดยอุปาทานมีสีน่นี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสิลพะตุปาทาน และอัตวาทุ ป, ปาทานต่อไปนี้เป็นอัถวิภาคแห่งอุ ป, ปาทานเหล่านั้นอัถะแห่งกามุ ป, ปาทานอัฐะว่าบุคคลย่อมถือมั่นซึ่งการที่ได้แก่วัตถุเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามุ ป, ปาทานแปลว่าความถือมั่นกามแห่งบุคคล ดังนี้บ้างอัฐะว่ากามคือกิเลสด้วยกามคือกิเลสนั้นเป็นธรรมชาติผู้ถือมั่นด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่ากามุปาทานแปลว่ากามผู้ถือมั่นดังนี้บ้างอัถแห่งอุปาทานสัพ์คำว่าอุปาทาน แปลว่าถือมั่นคือยึดไว้เพราะอุปะสั์ในที่นี้มีทันหัสสับในวงเล็บมั่นแข็งขันรุนแรงยิ่งนักเป็นอัตถะดังอุปะสั์ในคำว่าอุปายาตที่แปลว่าลำบากใจยิ่งนักคือคับแขนและคำว่าอุปกาถะที่แปลว่าชักมาใกล้นัก คือจวนเจียนเป็นต้นอัฐะแห่งที่ถุกปาทานในยะเดียวกันคืออุปาทานศัพท์มีอัฐะว่าถือมั่นยึดไว้เช่นเดียวกันคืออัฐะว่าทิฏฐิด้วยทิฏฐินั้นเป็นธรรมชาติถือมั่นด้วย เหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐุปาทานแปลว่าทิฏฐิอันยึดไว้อีกอัฏถะหนึ่งว่าทิฏฐิย่อมถือมั่นทิฏฐิเหตุนั้นจึงชื่อว่าทิฏฐุปาทานแปลว่าทิฏฐิยึดทิฏฐิด้วยว่าอุตราทิฏฐิความเห็นชั้นหลังมา ย่อมยึดปุริมะทิฏฐิคือความเห็นที่มีมาก่อนในความเห็นผิดทั้งหลายมีเห็นว่าอัตตาเที่ยงและโลกเที่ยงเป็นต้นอัตตะแห่งศีละพะตุปาทานในยะเดียวกันคืออัตตะว่าบุคคลย่อมถือมั่นศีลพพธเหตุนั้น จึงชื่อว่าศิลปพตุปาทานแปลว่าความถือมั่นศีลรพศรแห่งบุคคลดังนี้บ้างอัธะว่าศีลรพศรด้วยศีลรพศรนั้นเป็นธรรมชาติถือมั่นด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าศิลพะตุปาทานแปลว่าศีลรพศรอันถือมั่นดังนี้บ้างด้วยว่าศีลรพศรต่าง มีโคศีลและโครพรตเป็นต้นเป็นอุปาทานอยู่ในตัวมันเองเพราะยึดมันว่าความบริสุทธิ์จักมีด้วยศีลพรตอย่างนั้นอัฏฐะแห่งอัตตวาทุปาทานในยะเดียวกันบุคคลทั้งหลายย่อมกล่าวเฉพาะสิ่งนั้นเป็นเหตุเหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อว่าวาทะแปลว่าสิ่งเป็นเหตุกล่าวสัตว์ทั้งหลายย่อมถือมั่นแม้เพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าอุปาทานแปลว่าสิ่งเป็นเหตุถือมัน่นถามว่าบุคคลทั้งหลายย่อมกล่าวก็ดีย่อมถือมั่นก็ดีซึ่งอะไรตอบว่า ซึ่งอัตตาสิ่งเป็นเหตุกล่าวเป็นเหตุถือมั่นซึ่งอัตตาชื่อว่าอัตาวาทุปาทานอีกอัตตะหนึ่งบุคคลทั้งหลายย่อมถือมั่นเอาเพียงคำว่าอัตตาเท่านั้นเองว่าเป็นอัตตาเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุเหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าอัตาวาทุปาทาน แปลว่าสิ่งเป็นเหตุถือมั่นเพียงคำว่าอัตตานี่เป็นอัตวิภาคแห่งอุปาทาเหล่านั้นเป็นอันดับแรกโดยสังเกตและโดยพิสดารส่วนในข้อสังเกตและพิสดารแห่งธรรมนั้นโดยสังเขตอันดับแรกตัณหาธันหั ต, ตะ ความเหนียวแน่นแห่งตันหาเรียกว่ากามุปาทานเพราะมาในพระบาลีว่าในอุ ป, ปาทานสี่นั้นกามุปาทานเป็นชนกามชันธะความพอใจด้วยอำนาจกิเลสกรรมในกามาคุณทั้งหลายอันใดกามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกรรมในกามาคุณทั้งหลายอันใด กามนันทีความยินดีด้วยอำนาจกิเลสกามในกามคุณทั้งหลายอันใดกามตัณหาความอยากด้วยอำนาจกิเลสกามในกามคุณทั้งหลายอันใดกามเสนหะความรักด้วยอำนาจกิเลสกามในกามคุณทั้งหลายอันใดกามป ร, ริลาหะความรุ่มร้อนด้วยอำนาจกิเลสกาม ในกามาคุณทั้งหลายอันใดกามมุชาความสยบอยู่ด้วยอำนาจกิเลสกามในกามาคุณทั้งหลายอันใดกามัชโชสานะความพอใจอยู่ด้วยอำนาจกิเลสกามในกามคุณทั้งหลายอันใดอันนี้เรียกว่ากามุปาทาน อุตระตันหาตันหาที่เกิดที่หลังต่อๆมาอันเกิดเป็นโทษหนาแน่นขึ้นเพราะมีปุริมาตันหาตันหาที่เกิดก่อนๆเป็นอุปนิสยปัจจัยนั่นเองชื่อว่าตันหาทันหัตตะแต่อาจารย์บางเหล่ากล่าวว่าความปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเป็นตันหา อุปมาดังการยืมมือของโจรควานหาสิ่งของในที่มืดฉะนั้นความยึดเอาอารมณ์ที่มาถึงเข้าไว้เป็นอุปาทานอุปมาดังการคว้าเอาสิ่งของที่ควานเจอเข้าของโจรนั่นแหละเป็นธรรมะทั้งสองนั้นอันธรรมะทั้งสองนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่ออปิจชตาและสันตุทิตาในวงเล็บคนละอย่าง อันหนึ่งเป็นมูลแห่งปริยสนาทุกทุกเพราะการสแสวงหาและอารักขทุกทุกเพราะการรักษาในวงเล็บคนละอย่างเหมือนกันส่วนอุปาทานสามที่เหลือโดยสังเขกก็เป็นเพียงทิฏฐิอย่างหนึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนว่าโดยพิสดารความหนาแน่นเหนียว แห่งตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นอันมีประเภทตั้งหนึ่งร้อยแปดที่กล่าวมาก่อนนั่นเป็นกามุ ป, ปาทานมิจชาทิฏฐิวัตถุสิบเป็นทิฏฐุปาทานดังพระบาลีว่าในอุ ป, ปาทานเหล่านั้นทิฏฐุปาทานเป็นอย่างไรความเห็นไปยานใหญ่ความถือวิปราสเช่นนี้ว่า การให้เป็นทานไม่มีผลวิบากการให้เป็นการบูชาไม่มีผลวิบากสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ซึ่งทาให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันไม่มีในโลกดังนี้อันใดอันนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานส่วนความยึดมั่นว่า ความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตทั้งหลายเป็นศีแลแะประตุปาทาน wir. ดังพระบาลีว่าในอุ ป, ปาทานเหล่านั้นศีลและประตุปาทานเป็นอย่างไรความเห็นความถือวิปัลสาเช่นนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลความบริสุทธิ์มีได้ด้วยพรตความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตดังนี้อันใดอันนี้เรียกว่าศีลปตูปาทาน สักกายทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบเป็นอัตวาทุปาทานดังพระบาลีว่าในอุปท า, านเหล่านั้นอัตตวาทุปาทานเป็นอย่างไรูุทุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้เปยยานมีได้รับแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนเปยยานความเห็นเปยยาน ความถือวิปรสาชนิ้อันใดอันนี้เรียกว่าอัตตวาทุ ป, ปาทานนี้เป็นความสังเขปและความพิสดารแห่งธรรมะในอุ ป, ปาทานนั้นโดยลำดับส่วนในข้อว่าโดยลำดับนั้นมีพันานาว่าลำดับมีสามอย่าง คือลำดับความเกิดขึ้นหนึ่งลำดับการละหนึ่งลำดับการแสดงหนึ่งในลำดับสามอย่างนั้นเพราะไม่มีว่าความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้มีก่อนเพื่อนในสงสารอันไม่มีใครรู้เบื้องต้นเบื้องปลายดังนี้ลำดับความเกิดขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายท่านจึงไม่กล่าวไว้โดยตรงแต่โดยอ้อมพึงกล่าวว่า อตตวาทุปาทานเกิดก่อนเพื่อนต่อ น, นั้นทิฏฐุปาทานศิลปตุปาทานและกามุปาทานจึงเกิดโดยลำดับโดยอธิบายดังนี้คือโดยมากในพบอันหนึ่งอตตวาทุปาทานคือความถือมั่นว่าเที่ยงหรือขาดศูญอันมีความถืออัตตาเป็นเบื้องหน้าคือเกิดขึ้นก่อน ข้อนั้นศีลปประตุปาทานอันมีความบริสุทธิ์แห่งอัตตาเป็นข้อมุ่งหมายจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ถือว่าอัตตานี้เที่ยงแล้วการมุปาทานจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ถือว่าอัตตานี้ขาดศูนไม่แยแสต่อปรโลกนี้เป็นลำดับความเกิดขึ้นแห่งอุปาทานสี่นั้นในภพอันหนึ่ง ส่วนลำดับการละพึงทราบว่าในอุปาทานสี่นั้นอุปาทานสามมีที่ถูกปาทานเป็นต้นละได้ก่อนเพราะอุปาทานสามนั้นเป็นโทษที่โสดาปติมักพึงกำจัดกามุปาทานละได้ภายหลังเพราะกามุปาทานเป็นโทษที่อรหัตตมักพึงกำจัด นี่เป็นลำดับการละแห่งอุปาทานทั้งหลายนั้นส่วนลำดับการแสดงพึงทราบว่าในอุปาทานสี่นั้นกามุปาทานแสดงก่อนเพราะเป็นโทษมีวิสัยใหญ่และเพราะเป็นโทษปรากฏเห็นชัดด้วยจริงอยู่กามุปาทานนั้นนับเป็นโทษมีวิสัยใหญ่ และสัมปโยกกับจิตทั้งแปดดวงอุปาทานนอกนี้นับเป็นโทษมีวิสัยน้อยเพราะสัมปโยกกับจิตเพียงสี่ดวงอันหนึ่งกามุปาทานนับว่าเป็นโทษปรากฏแก่หมูสัตว์เพราะความที่หมูสัตว์เป็นผู้ยินดีในอะลัยโดยมากอุปาทานนอกนี้ไม่ปรากฏ ผู้มีการมุปาทานย่อมเป็นผู้มากไปด้วยการทำมงคลมีโกตุหละมงคลการทำมงคลที่ให้เป็นการครึกครื้นเป็นต้นเพื่อให้ได้วัตถุกรมทั้งหลายโดยง่ายความเป็นผู้มากด้วยการทำมงคลมีโกตุหละมงคลเป็นต้นของบุคคลผู้มีการมุปาทานนั้นเป็นสัสตตทิฏฐิเพราะฉะนั้นที่ถูกปาทาน จึงแสดงในลำดับกามุปาทานนั้นที่ถูกปาทานนั้นเมื่อแตกออกก็เป็นสองอย่างโดยเป็นศิลปตุปาทานและอัตวาทุปาทานในสองอย่างนั้นศิลปตุปาทานแสดงก่อนเหตุว่าเป็นโทษหยาบเพราะแม้เห็นกิริยาโคหรือกิริยาสุนัข ก, ก็ตามที่คนมีศิลปตุปาทาน ในที่นี้คือการประพฤติของนักบวชนอกศาสนารูปแบบหนึ่งโดยการใช้ชีวิตเรียนแบบโคหรือสุนักโดยเชื่อว่าจะทำให้บรรลุธรรมอัตวาทุ ป, ปาทานแสดงไว้สุดท้ายเพราะเป็นโทษละเอียดนี้เป็นลำดับการแสดงแห่งอุ ป, ปาทานสี่นั้นคาถาสังเขปปัจจะยนัย ก็ในอุปาทานทั้งหลายนี้ตันหาเป็นปัจจัยอย่างเดียวแกอุปาทานข้อหน้าเพื่อนมันเป็นปัจจัยเจ็ดอย่างบ้างแปดอย่างบ้างก็มีแกอุปาทานสามที่เหลือขยายความก็แลในอุปาทานทั้งหลายนี้คือในอุปาทานสี่ที่แสดงมาดังนี้การมตันหาเป็นปัจจัยอย่างเดียว โดยเป็นอุปนิสยปัจจัยเท่านั้นแก่อุปาทานข้อหน้าเพื่อนคือกามุปาทานเพราะเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายที่ตัณหายินดีโดยเฉพาะแต่มันเป็นปัจจัยเจ็ดอย่างคือสหาชาตะอัญญมัญญานิสยะสัมปยุตตะอัติอวิคตะและเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยแปดอย่าง กับท้งอุปนิสยาปั จ, จัยบ้างก็มีแก่อุปาทานสามที่เหลือแต่ว่าเมื่อใดมันเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสยาปั จ, จัยเมื่อนั้นมันก็เป็นอสหชาตะคือไม่เป็นสหชาตะด้วยแลนี่เป็นคาถาอย่างพิสดารในบทว่าตัณหาปัจจญาอุปาทานัง